น้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาศรัทธา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 ท่านผู้ฟังเช่นเคยนำเรื่องราวสาระน่ารู้มาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังนะครับ mm hmm. เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ทผ่านมานะครับศาล ร, รันนูญมีการประชุมตุลาการศารลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาคำร้องที่ประธานสาภาผู้แทนรัศดร น, นะครับในชวนหลิกภัยได้ขอให้วินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูนมาตรา82ดนสะิจำนวน2คำร้องให้วินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องสมาชิกภาพของสอสอนะจำนวน41คนนะวสาสินสุดตามรัฐธรรมนูนตามมาตรา101วงเล็บ6นะครับนะประกอบมาตรา98วงเลข3หรือไม่นะครับโดยที่สารรัฐธรรมนูนประชุมปรึกษาแล้วก็เห็นว่าไม่ไ ม, ไ, มไม่รับคำร้องนะผู้ร้องจำนวน9ราย นะครับแล้วก็รับไว้พิจารณา32มลายในบรรดาสอสที่ถูกลองนะครับสารน้นวเนี่ยรับคำลองไว้ในจำนวน32หลายนะครับที่เสนอมา41เนี่ยรับคำลองไว้32มลายแล้วก็เนื่องจากว่าสารน้นวลนีวินิจฉัยนะในกรณี31มลายเนี่ยนะครับอบอกว่าในส่วนของผู้ ถูกร้องเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับในการกล่าวหาสารก็จะต้องมีการดำเนินการไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จจริงนะสารนวินิชัยว่าไม่เข้าเงื่อนไขนะที่จะสั่งให้ผู้ถูกร้องคือสอสทั้ง32คนิอนหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ก็เลยมีการส่งสำเนานะให้นะสอสที่ถูกร้อง32คนเนี่ย ให้มาชี้แจงต่อสารภายใน15วันสรุปแล้วก็คือสารน้ำนูนได้รับเรื่องไว้31คนแต่ว่าก็ไม่ได้สั่งให้งดปฏิบัติหน้าที่แต่ประการใดนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ค ง, คงคงจะต้องดูและในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรนี่มีการประชุมกันวันที่ยี่มิถุนายนนะครับการให้รัฐบาลมาตอบกระทูของ บรรดาสสทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมีการประชุมกันที่ประชุมที่บริษัท TOT อทีจำกัดมหาชนก็ที่ประชุมเดิมนี่ยแหละครับที่ที่ที่เลือกนายยงตรีมีนายชวนหลีกภัยเป็นประธานในที่ประชุมนะครับก็มีการพิจารณากระทู้ถามนะครับของสสก็เป็นการตรวจสอบนะการทํางานกันนะครับก็มีการพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ การกระทู้นะครับนะของในส่วนของฝ่ายค้านนะนะทั้งในส่วนของพลโทพงศกรรอดชมพูสสบัญชีรายชื่ออนาคตใหม่มีการตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างอันหน้าที่ของกรมนรนักที่ยังยึดในส่วนของดำเนินงานตามประกาศบางฉบับ ของคสชนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องสิทธิศิรีภาพของประชาชนนะก็มีในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาตอบนะ ว, ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีในส่วนของสสคนอื่นอย่างเช่นนายมานิดสังพุ่มซึ่งเป็นสสสุรินทร์พัฒเพื่อไทยก็ถามเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างถนนสาย226 ขยายเป็นช่อง4ี่จราจรบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องมาตรการการแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูของกระทรวงศึกษาธิการถามเกี่ยวกับเรื่องการขุดลอกอ่างเก็บน้ำํำนะที่สํารงทาบสุรินนะครับเนะ่ยแต่ว่าในชวนหลีกภัยประธานที่ประชุมก็แจ้งต่อที่ประชุมบอกว่ารัฐมนตรีทั้ง3กระทรวงนะครับนะที่จะมาตอบคาถามไม่ว่าจะเป็นคมนาคมกระทรวงศึกษา นะครับแล้วก็เกษตรติดภารกิจไม่สามารถมาตอบคำถามต่อสภาได้นะครับนะเพราะฉะนั้ น, นตรงนี้นี่ก็ต้องต้องพักไว้ก่อนนะครับนะคือไม่มีคนมาตอบนะครับต้องรอคอรมอชุดใหม่นะครับ่นก็เป็นในส่วนของสอสอมานิศสังพุ่มนะครับที่เป็นเป็นเป็นคนถามนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของการ ตัดถนนบ้างเกี่ยวกับเรื่องของกันกแก้ปัญหาหนี้สินครูนะครับแล้วหลังจากนั้ น, นมีการพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญมาตรา270นะครับที่ให้คอรมอรแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปประเทศให้สภาผู้แทนรัศดรรับทราบทุกสมเดือนนะครับซึ่งก็มี นายทศพลศิริสัมพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตนะิมาเป็นผู้รายงานให้ที่ปร ะ, ประชุมสภารับทราบแล้วก็มีให้มีสอสอภิปรายแสดงความคิดเห็นซึ่งนายแพทย์ชลน่านสีแก้วสสน่านเพื่อไทยก็อภิปรายบอกว่าการทำแผนปฏิรูปครั้งนี้นี่ก็ยังปฏิรูปทั้ง11ด้า น, นยังไม่มีตัวชี้วัด ที่ชัดเจนไม่มีความคืบหน้านะครับนะไม่ประสบความสำเร็จก็อยากจะให้มีการปรับปรุงนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่ก็ในส่วนของการปฏิรูปยุทธศาสตร์20ปีนะครับนะก็ถือว่าไม่ไม่มีประเทศไหนทํากันเพราะนันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับนะจากสสฝ่ายค้านก็คงจะต้องรับฟังเสียงกันละครับนะมีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็เป็นเรื่อง ธรรมดานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปประเทศแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยการทํางานของรัฐบาลนี่ต้องมารายงานให้กับสภาทราบนะครับแล้วก็เป็นเป็นมาตรการในการตรวจสอบการทํางานระหว่างกันนะครับระหว่างอํานาจสาอํานาจตามระบบประชาธิปไตยทั้งในส่วนของอํานาจบริหารนิติบัญญัติแล้วก็ตุลาการนะครับมารับฟังเพลงสักเพลงก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อไปครับ แสงดาวเน็บหนาวราวรง่ายเงาอันโหดร้ายอกกอดใจ เลนกลุ้มหรือไรพร่ำร้องแทบขาดใจไม่ได้ยินแสงสีนั้นมีมนเปลียนใจคนที่เป็นหินน้ําตาพี่คงไหลรินโรดินแลมในว่ารักในว่าหลงยืนยันมันคงไม่แปร ชาทีไม่ได้เขียนจึงเปลี่ยนแปลงลืมจริงจริงหรือไม่อยากจำคำทุกคำลว้วนเสแสงเจ้าใจดำสำยังใจแข็งยิ่งกว่าดินแล้งที่ขาดฝนรอคอยจนน้อยใจบินไปไม่คืนรัง ลืมคนอยู่ข้างลังอีทั้งคนเพราะรักถึงยังรออยากจะขอร้องสักคนหลับมาเถิดหน้าน่ามนต์พี่จนแต่จริงใจ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 อยากจะขอร้องสักคนกลับมาเถิดหน้าน้ามนุษี่จนแต่จริงใจครับมาพูดมาคุยกันต่อนะครับนช่วงนีใน้ในส่วนของรัฐบาลนี่ ก, ก็กำลังที่จะ มีการาทุ่มงบมาในเรื่องของบัตรสวัสดิการยังเดินหน้าต่อนะครับนสมคิดจตุศรีพิทักษรงนาะยุงตรีก็บอกว่าได้หาลือกับสำนักงบประมาณนะปี2องพจะมีเม็ดเงินมาเติมในกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากให้ครบ1 0 0 0 0แสนล้านอรอย่างนั้นนะครับจากเดิมที่กองทุนมีเงินหมุนเวียนประมาณ 40,000 ถึง 50, ล้านโดยยืนยันว่าโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าเร า, เราเรียกว่าบัตรบัตรคนจนนี่แหละครับบัตรสวัสดิการคนจนนี่แหละก็จะไม่มีการสะดุดนะที่ที่ให้เติมงบมาให้ชาวบ้านไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับตามร้านที่ที่มีเครื่องรูดบัตรนี่แหละครับนะที่เรารู้กันอยู่นะครับนะก็มีการช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยนะครับนะซึ่งตรงนี้นี่แล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบอื่นหรือไม่นี่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐตรีกระทรวงการคลังคนใหม่ นะครับซึ่งขณะที่ภาวะเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปีก็มีทิศทางที่จะฟื้นตัวรองนายกว่างนั้นนะครับนะที่ชัดเจนะครับภายหลังที่มีรัฐบาลใหม่นะก็คาดว่าในช่วงกลางเดือนกรกฎาเนี่ยจะมีรัฐบาลใหม่รัฐมนตรีถวายสัตว์ปฏิ ญ, ญาณแล้วก็จะต้องจัดทำนโยบายของรัฐบาลเพื่อแถลงต่อรัฐสภานะครับนะซึ่งก็คงจะต้องข้ามไปเดือนสิงหาคม ลองนยงตีลองสมคิดว่าอย่างนั้นนะครับนะแล้วก็จะต้องมีเรื่องใหญ่ที่ต้องดําเนินการก็คือการจัดทําร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี2563ซึ่งจะต้องให้ผ่านสภาแล้วครับนะซึ่งกระบวนการจะต้องผ่านสภาลแล้วก็มีการใช้เงินงบประมาณนะก็คงจะเป็นช่วงปลายเดือนธันวาถึงกลางเดือนมกราปี2563นะครับนะซึ่งนะตรงนี้นี่ก็คงจะต้อง ดูนะครับนะเรื่องงบประมาณว่าจะเป็นอย่างไรจะทุ่มอย่างไรนะครับส่วนแนวโน้มการลงทุนต่างประเทศนะครับในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอเขตเศรษฐกิจนะครับ e c ซึ่งการประชุมของคอรมอก็ได้นำข้อมูลการส่งเสริมการลงทุนของ BOI มาดูก็าปรากฏว่ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่า 100% เซนะซึ่ง โครงการนี้มีนักลงทุนจากในส่วนของจีนบ้างนะญี่ปุ่นนะครับย้ายฐานการผลิตม า, ามาลงทุนในเขตภาคตะวันออกนี้มากนะก็เป็นอันนี้เป็นหมายอันดีก็น่าจะฟื้นตัวนะครับมีการคาดการอย่างนั้นนะครับในส่วนของของทางด้านาเศรษฐกิจนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงคงจะต้องดูนะเพราะว่ า, ารัฐบาลนี่จะพัฒนาภาคตะวันออกนะมีการมุ่งว่าจะพัฒนาเมืองพัทยา ให้เป็นเมืองอที่เป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมนานาชาติเต็มตัวเลยเพราะว่ามีโรงแรมมีสถานที่ประชุมอะไรต่างๆเนี่ยพร้อมนะครับซึ่งตรงนี้นี่ในส่วนของอสำนักงานจัดการประชุมเลนิทศาการองค์การมหาชนนะครับก็ บ, บอกว่าจะส่งเสริมเมืองพัทยานี่แหละครับให้เป็นเมืองอประชุมนานาชาติเป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับเรื่องของ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการประชุม น, ะนานาชาตินะครับตรงนี้คงจะต้องมีการส่งเสริมจุดอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าการลงทุนที่พักโรงแรมการประชุมขนาดใหญ่นะครับนะแต่ก็พยายามที่จะทำให้ตรงนั้นเป็นเป็นศูนย์การประชุมจริงๆไทยเรานี่มีจุดแข็งเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวะครับนะมีนะักท่องเที่ยวต่างชาตนะิมาเที่ยวที่เมืองไทยเนี่ยจนวนมาก โดยเฉพาะจากจีนนะครับนะจากจีนจากเกาหลีจากญี่ปุ่นรวมทั้งจากยุโรปอเมริกาเนี่ยนะครับทำอย่างไรที่จะให้การท่องเที่ยวนี่กระจายตัวไปให้ตามเมืองรองต่างๆนะครับนะจากเมืองหลักที่นักท่องเที่ยวนิยมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพเชียงใหม่พัทยาภูเก็ตนะครับนะก็จะให้มีการปกระจายไปตามเมืองรองๆนะครับแลนะกนะนะ็จะทําให้การท่องเที่ยวเนี่ยหมุนเวียนกันมากขึ้น นะครับเนี่ยตรงตนี้คงจะต้องดูนะมีหลายๆเมืองนะครับที่พัฒนามานะครับอย่างเช่นบุรีรัมณีก็จะเป็นเมืองสปอร์ตซิตี้นะครับจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาอะไรต่างๆนะก็มีจุดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของสนามฟุตบอลมีสนามแข่งรถอะไรต่างๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะกระตุ้นขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับนะส่วนในในส่วนของจังหวัดอื่นๆอย่างเช่นลำปางนี่ก็อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวนะเป็นวัดเป็นวาเป็น เชิงวัฒนธรรมอะไรต่างๆมากแล้วก็เป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตเซรามิกอะไรต่างๆเนี่ยเนี่ยก็สามารถที่จะส่งเสริมให้เป็นเป็นเรื่องของการการท่องเที่ยวขึ้นมาได้นะครับนะแล้วก็ในส่วนของทางใต้นี่ก็มีหลายๆจังหวัดที่น่าจะพัฒนาขึ้นมาได้นะเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวโดวยเฉพาะในในส่วนของ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 ท่านผูนป้ประกอนแล้วพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ มาพร่ำเพอรำพันเธอไปจากฉันอยู่ไหนกันน้อเธอจนถึงลมหนาวเจ้าก็ยังไม่มาีรอคอยท้าสองปีไม่เจอเข้าสู่ลมร้อนก็ยังน้องละเมอ นกเฉยเจ๋วเธอกลับมาแล้วโอแม่แก้วกาด้าเธอมามบอกฉันว่าโซกันโซก้าเกี่ยแก้นเธอมาเป็นน้ำตา และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้ร